จะหล่อนท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่18พศภาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็วันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจะภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัน เพื่อมาทำบุญมาลาบาปมาชำระใจให้สะอาดปราศจากความโลภความโกรธความหลงปราศจากความอยากต่างๆพร้อมมีศรัทธามีความเชื่อในกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าได้สงตัสรู้แล้วนำมามา้อยแผ่สั่งสอน ให้แก่สัตว์โลกโดยสงตัดไว้ว่าสัตว์โลกทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นกรรมเป็นเครื่องจำแนกแยกสัตว์ให้เกิดมาสูบา ง, างบ้างต่ำบ้างนี่คือ สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทรงสอนว่าทำดีได้ดีทำเชื่อได้เชื่อทำบุญได้ไปสวรรค์ทำบาปต้องไปอาบายถ้าไม่อยากจะไปอาบายก็อย่าทำบาปบาปก็มีอยู่ห้าข้อด้วยกันคือหนึ่งการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสอง การลักทัพย์เอาของที่ไม่ใช่เป็นของตนโดยที่เจ้าของไม่ได้อนุญาต 3. การประพฤติผิดปรเวณีคือการไม่ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนแต่ไปหลับนอนกับคู่ครองหรือบุตรธิดาของผู้อื่นการไม่พูดปด 5. การไม่เสพุรายามานี่คือบาปที่จะทำให้ผู้กระทาจะต้องไปเกิดนาบายที่มีอยู่สีด้วยกันคือเดรชานเปรตอสุรกายร่างนารกถ้าทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ตายไปก็จะไปเกิดเป็นเดรชาน ถ้าทำด้วยความโลภตายไปก็จะไปเกิดเป็นเปรต ถ, ถ้าตายทำไปด้วยความกลัวตายไปก็จะไปเกิดเป็นอสูรกายถ้าทาบาดด้วยความโกรธเกลียดอางฆาตพยาบาทตายไปก็จะไปตกนรกนี่คือ สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้ผู้ที่จะไปเกิดนี้ไม่ใช่ร่างกายเพราะร่างกายนี้จะต้องตายไปแล้วจะต้องกลายเป็นขี้เถ้ากลายเป็นเศษกระดูกไปแต่ผู้ที่จะไปคือใจผู้ที่มาอาศัยร่างกายอยู่เชื่วขณะ ที่ร่างกายมีชีวิตอยู่แล้วก็ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการทำบุญในการทำบาปในการชําระใจถ้าทำบาปอย่างที่ได้พูดไว้พอร่างกายนี้ตายไปใจก็จะไปเกิดใหม่ใจจะไปได้ชีวิตใหม่ตามบาปที่ทำไว้ ถ้าทำบาปโดยความหลงความไม่รู้ว่าเป็นบาปตายไปก็ต้องไปเป็นเดรชานเดรชานนี้เป็นพวกที่เขาไม่รู้ว่าบาปมีผลเขาต้องอยู่ด้วยการฆ่าผู้อื่นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยแต่มนุษย์นี้มีความฉลาสามารถ รู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วได้แต่จะรู้ได้ก็ต้องได้ยินได้ฟังคำสั่งสอนของผู้ที่มีความรู้ถ้าไม่มีใครสั่งสอนว่าการทำบาปถึงแม้ว่าจะเป็นการเพื่อรักษาชีวิตของตนไว้เช่นการทำมาหากินด้วยการฆ่าผู้อื่น ตายไปก็จะต้องไปเป็นเดรัจฉานไม่ว่าจะเป็นการฆ่ามนุษย์หรือฆ่าสัตว์ตายไปก็ต้องไปเป็นเดรัจฉานเช่นคนที่มีอาชีพเป็นเพชฌฆาตคนที่ต้องฆ่าผู้อื่นเพื่อเป็นอาชีพเช่นตำรวจทหารถ้าไปฆ่าผู้อื่นถึงแม้ว่าจะทําเพื่อรักษากฎหมาย ทำเพื่อรักษาประเทศชาติก็ไม่มีข้อยกเว้นถ้าฆ่าผู้อื่นโดยที่ไม่รู้ว่าการฆ่านี้จะมีผลตามมาคิดว่าฆ่าเพื่อประเทศชาติฆ่าเพื่อรักษากฎหมายจะเป็นข้อยกเว้นแต่ไม่เป็นข้อยกเว้นหรือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นอาชีพเช่น เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วก็ฆ่าเป็ดฆ่าไก่เอาไปขายอาชีพแบบนี้ทำแบบนี้ก็ไม่ต่างจากเดรัจฉานที่ต้องฆ่าผู้อื่น<ม>เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตนถ้าทำอาชีพเหล่านี้ตายไปก็ต้องไปใช้กรรมไปเกิดเป็นเดรัจฉานถ้าไม่อยากจะไปเกิดเป็นเดรัจฉานก็อยาก อย่าฆ่าผู้อื่นหาอาชีพที่ไม่ต้องฆ่าผู้อื่นทำมีเยอะแยะอาชีพทากับข้าวกับปลาอาชีพเย็บปักถักร้อยอาชีพขายข้าว ข, ขายของที่ไม่ใช่เป็นชีวิตที่ไม่มีชีวิตอาชีพเหล่านี้ปลอดภัยจากการที่จะไปเกิดเป็นเดรัจฉาน ถ้าค่าด้วยความโลภอยากรวยอยากมีทรัพย์มากๆทั้งๆ ท, ท, ที่พอมีพอกินแต่ยังอยากมีมากๆก็เลยต้องทำบาปทำบาปด้วยการฆ่าหรือด้วยการโกหรือด้วยการโกหกหลอกลวงหรือด้วยการประพฤติผิดประเนณีตายไปก็จะต้องไปเกิดเป็นเปรต เปรญนีก็เป็นเหมือนขอทานของทางจิตวิญญาณขอทานในโลกทิพไปอยู่แบบขอทานต้องไปคอยรอรับส่วนบุญของผู้ที่ทำบุญอย่างพวกเราเวลาทำบุญแล้วเราก็อุทิศบุญไปให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วถ้าผู้ที่ร่วงรับไปแล้วไปเกิดเป็นเปรดเพราะขณะที่มีชีวิตอยู่ ทำบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆไม่คำหนึ่งถึงผลที่จะตามมาไม่กลัวบาป พ, พอทําไปแล้วตายไปก็จะต้องไปเกิดเป็นเปรตก็จะต้องมาคอยรอรับส่วนบุญเพราะไม่มีบุญติดตัวไปมีแต่ความโลภมีแต่ความหิวมีแต่ความอยากติดตัวไปแต่ไม่มีอาหารทิพย คือไม่มีบุญหล่อเลี้ยงก็เลยต้องมาคอยรอรับส่วนบุญของผู้ที่มีชีวิตอยู่ทำบุญอุทิศไปให้ถ้าทำบาปด้วยความกลัวกลัวว่าเขาจะมาทำร้ายเราเราก็ไปทาร้ายเขาก่อนไปฆ่าเขาก่อนกลัวว่าทรัพย์จะหายก็เลยไปขโมยทรัพย์ มาไว้เก็บไว้มากๆหรือกลัวว่าจะถูกคนนั้นคนนี้ขโมยก็ฆ่าเขาก่อนป้องกันไว้ก่อนไม่ให้เขามาเอาทรัพย์มาทำลายชีวิตของเรา<ม>กระทนกระทำแบบนี้ถ้าว่าตายไปก็ต้องไปเกิดเป็นอสุรกาย<ม>ถ้าตามบาปด้วยความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาท เช่นโกรธใครแล้วก็เกิดโทสะขึ้นมาแล้วก็ไปทำร้ายผู้อื่นถึงกับทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตไปตายไปก็ต้องไปตกนรกนี่คือข้อที่พูดเจ้าสงสอนให้เราอย่าทำกันก็คืออย่าทำบาปถ้าเราไม่ทำบาปแล้วเราก็จะปลอดภัย จากการที่จะต้องไปใช้กรรมในอบายเราจะไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเกิดเป็นเปร็นเป็นอนุรกายไม่ต้องตกนรกเพราะเราไม่ได้สร้างเหตุเหตุคือการทำบาสนี่เองแล้วก็ส อ, สอนให้เราทำบุญถ้าเราไม่ทำบาปแล้วเราทำบุญเราก็จะได้สวรรค์ชั้นต่างๆ ตายไปเราก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นเทพชั้นพรหมชั้นอริยเจ้าจนถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดคือพระนิพานนี่คือบุญถ้าเราทํากันอยู่เรื่อยเื่เราก็จะได้ไปเกิดถ้าทําบุญละบาปได้เราก็จะไปเกิดเป็นเทพบ้างเป็นพรหมบ้าง เป็นพระอริยะบุคคลบ้างแต่การที่จะไปเกิดเป็นพรหมและเป็นพระอริยะบุคคลเราต้องชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยคือเราต้องระงับความโลภความโกรธความหลงหรือทําลายความโลภความโกรธความหลงความอยากให้หมดไปจากใจให้ได้ถ้าเราทําได้เราก็จะ ไปเกิดเป็นพรหมบ้างเป็นพระอริยเจ้าบ้างถ้าเราทําใจให้สงบเวลาใจสงบความโลภความโกรธความหลงก็จะถูกกดเอาไว้พอไม่มีความโลภความโกรธความหลงใจของเราก็เป็นพรหมเป็นสวรรค์ชั้นพรหมขึ้นมาแต่เวลาความสงบเสื่อมลงไป ความโลภความโกรธความหลงโผล่ขึ้นมาใจก็เปลี่ยนจากสวรรค์ชั้นพรหมมาเป็นสวรรค์ชั้นเทพถ้าอยากจะให้ใจไม่เสื่อมจากสวรรค์ชั้นพรหอยากจะให้ขึ้นสูงขึ้นไปสู่ชั้นอริยเจ้าก็ต้องชำระทำลายความโลภความโกรธความหลงให้หมดไป ความโลภความโกรธความหลงจะหมดไปได้ก็ต้องมีปัจญาต้องเห็นว่าความโลภความโกรธเป็นเหตุที่จะทำให้ใจเสื่อมจากความสงบเวลาใจสงบนี้ใจจะมีความสุขเหมือนกับอยู่บนสวรรค์ชั้นนิพพานแต่เวลา ออกจากความสงบนี้มาพอคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดความโลภอยากได้ขึ้นมาก็จะทําลายความสงบนั้นไปทําลายสวรรค์ชั้นพรมสวรรค์พระอริยเจ้าไปถ้าไม่อยากจะให้สวรรค์ชั้นพรมสวรรค์ชั้นอริยเจ้าเสื่อมก็ต้องอย่าทําตามความโลภ อย่าทำตามความโกรธต้องหักห้ามจิตใจให้เห็นว่าความโลภความโกรธเป็นต้นเหตุที่จะทำลายสวรรค์ต่างชั้นต่างๆที่เราได้สร้างขึ้นมานี่คือวิธีที่จะทำให้เราได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นต่างๆจนถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดได้ ก็คือเราต้องทำบุญละบาปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่เป็นเหตุที่เรียกว่ากุศลกรรมกรรมนี่มีสามชนิดมีกุศลกรรมมีอกุศลกรรมและมีกรรมที่ไม่ใช่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลมีอยู่สามอย่าง ที่เราทำกันอยู่เรื่อยๆวันนี้เรามาทำกุศลกรรมกันคือเรามาทำบุญให้ทานมาละบา่ามาถือศีแล้วก็มาชำระความโลภ ค, ความโกรธความหลงด้วยปัญญาที่เกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมพอเรารู้แล้วว่าความโลภ ค, ความโกรธความหลงเป็นต้นเหตุ ของการที่เราจะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเป็นต้นเหตุที่ทำให้เราไม่สามารถขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นสูงสุดได้เราก็ต้องมาหยุดความโลภความโกรธความหลงกันตอนต้นเราก็ได้ยินได้ฟังก่อนพอได้ยินได้ฟังแล้วทีนี้เราก็เอามาคอยเตือนใจสอนใจ ว่าต่อไปนี้อย่าโลภอย่าโกรธอย่าหลงการที่จะทาตามที่เราสอนใจได้เราต้องมีสติเราต้องมีเครื่องมือที่จะหยุดใจให้ได้หยุดความคิดให้ได้ใจก็เป็นเหมือนรถยนต์เวลาเราขับรถยนต์นี้เรารู้ว่าเราจะต้องมี break, เบรกพอถึงเวลาที่เราจะต้องหยุดรถ ถ้าเราไม่มีเบรกเราก็หยุดไม่ได้เช่นเวลาเราไปถึงสี่แยกไฟแดงพอมีไฟแดงขึ้นมาเราก็ต้องหยุดรถเพราะถ้าเราไม่หยุดรถรถก็จะฝ่าไฟแดงไปแล้วก็อาจจะไปชนกับรถที่วิ่งมาอีกทางหนึ่งได้แต่ถ้าเรามีเบรกพอถึงสี่แยกไฟแดงเราก็หยุดรถได้ ใจของเราก็ต้องมีเบรกเหมือนกันเบรกที่จะหยุดความโลภความโกรธความหลงก็คือสติตอนนี้ใจของเราไม่มีสติกันเวลาเกิดความโลภ ก, ก็หยุดไม่ได้เวลาเกิดความโกรธก็หยุดไม่ได้เวลาเกิดความหลงก็หยุดไม่ได้เพราะเราไม่มีสติพระพุทธเจ้าจึงส่งสอนให้พวกเรา ติดเบรคให้กับใจคือสร้างสติขึ้นมาให้กับใจวิธีสร้างสติก็คือให้ใจคิดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียวเช่นให้คิดถึงพุระ พ, พุทธเจ้าก็ให้ระลึกคำว่าพุทโธพุทโธไปภายในใจถ้าเราระลึกอยู่แต่คำว่าพุทโธพุทโธเราจะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ พอเราไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็จะโลกจะโกรธจะหลงไม่ได้นี่คือการติดเบรติดสติให้กับใจเราต้องระลึกพุโทโธพุธโทโธอยู่เรื่อยเอย่ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับไม่ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ถ้าเราไม่ต้องใช้ความคิดกับเรื่องงานเรื่องการที่เรากำลังทำอยู่ก็ให ท่องพุโทโธพุธโทโธไปภายในใจแล้วต่อไปเวลาเกิดความโลภเราก็ใช้พุโทโธหยุดได้เช่นพอเห็นเสื้อผ้าสวยๆอยากจะซื้อเราก็ท่องพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปเดี๋ยวเราก็ลืมเรื่องเสื้อผ้าสวยๆไปเวลาโกรธใครก็ให้ท่องพุโทโธพุธโทโธไปแล้วเดี๋ยวความโกรธก็จะหายไป ถ้าเรามีพุโทโธแล้วเราก็จะหยุดความโลภหยุดความโกรธได้พอหยุดความโลภหยุดความโกรธได้ใจของเราก็จะเป็นสวรรค์ขึ้นมาเป็นความสุขเป็นสวรรค์ของพระอริยเจ้าขั้นต่างๆจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นของพระอรหันต์ขั้นของพระพุทธเจ้าเกิดจากการติด บรให้กับใจนี้เองต็ดสติให้กับใจสร้างสติให้กับใจถ้าเรามีสติอยู่ตลอดเวลาใจจะไม่สามารถคัดค้านสติได้เวลาโรคพอสติสั่งให้หยุดก็จะหยุดทันทีเวลาโกรธสติสั่งให้หยุดก็จะหยุดทันทีนี่แหละคือวิธี ที่จะทำให้ใจของเราไม่ต้องกลับมาเวียนว่าตายเกิดอีกต่อไปเพราะเวลาร่างกายนี้ตายไปแล้วพอความโลภจะเดิงใจให้ไปเกิดเรามีสติเราก็หยุดได้เห็นที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ก็เพราะท่านมีเบรกมีสติหยุดใจนั่นเอง ใจของท่านจึงไม่ต้องกลับมาเกิดในภพต่างๆใหม่อีกต่อไปแต่ถ้าไม่มีสติเวลาตายไปก็ต้องไปเกิดตามกำลังของบาปของบุญถ้าบาปมีกำลังมากกว่าก็ไปเกิดในอบายถ้าบุญมีกำลังมากกว่าก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆเสร็จแล้วก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ อนมาสร้างบุญสร้างบางใหม่สร้างพบสร้างชาติใหม่จนกว่าจะได้พบกับพระพุทธเจ้าที่จะสอนให้เรายุติการสร้างพบสร้างชาติด้วยการหยุดความโลภความโกรธความหลงพอไม่มีความโลภความโกรธความหลงเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเราก็จะอยู่ในพระนิพพาน อยู่ที่เดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายอยู่กันใจของเราไม่มีวันตายการไม่กลับมาเกิดนี้ไม่ได้หมายความว่าใจของเราสูญหายไปไหนใจของเราก็อยู่บนสวรรค์ชั้นนิพพานนี่เองเป็นสวรรค์ที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไม่เหมือนกับสวรรค์ชั้นต่างๆที่ เกิดจากการทำบุญไม่ทำบาปที่มีวันที่จะต้องเสื่อมหมดไปพอเสื่อมหมดก็ต้องกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วถ้าไปทำบาปตายไปก็ต้องไปเกิดในอบายใหม่ก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆขึ้นๆลงๆระหว่างสวรรค์กับนรกจนกว่าจะสามารถสร้างสติขึ้นมา เพื่อหยุดความโลภหยุดความโกรธหยุดความหลงให้ได้พอหยุดได้แล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนี่คือเรื่องของกรรมคือการกระทาทางกายวาจาใจที่พวกเรากำลังทำกันอยู่ตลอดเวลาขอให้เราคอยเฝ้าดูการกระทาของเราถ้าไปทำบาปก็หยุดไว้อย่าไปทำ ถ้าทำบุญก็ส่งเสริมให้ทำเลยถ้าตัดกิเลสได้ก็ตัดไปเลยตัดความโลภได้ก็ตัดไปตัดความโกรธได้ก็ตัดไปตัดความหลงได้ก็ตัดไปเพราะการกระทำเหล่านี้จะนำพาให้จิตใจของเราจเจริญก้าวหน้ามีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆมีความทุกข์น้อยลงไปเรื่อยๆ จนไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจของเราเลยนี่เป็นสิ่งที่ไม่มีใครทำให้เราได้กรรมนี้เราเป็นผู้สร้างกันเองไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วหรือกรรมที่ไม่ดีกรรมที่ไม่ชั่วเราเป็นผู้สร้างเองดังนั้นถ้าเรารู้ว่ากรรมชั่วคือการทำบาปไม่ดีเราก็ต้องหยุดมันให้ได้ ทุกครั้งเวลาทำบาปขอให้เรามีสติสร้างสติขึ้นมามีพุโทโธขึ้นมาแล้วเราจะหยุดการทำบาปได้เวลาเกิดความโลภเกิดความโกรธเราก็จะหยุดมันได้สตินี้เป็นธรรมที่สำคัญที่สุดเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาธรรมทั้งหลายพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรา พยายามสร้างสติการขึ้นมาอยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาขอให้มีสติอย่างต่อเนื่องเพราะการกระทําของเรานี้ทําอย่างต่อเนื่องพอเราเห็นอะไรปั๊บใจก็จะเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงขึ้นมาทันทีถ้าไม่มีสติก็จะเบรกไม่ได้ถ้ามีสติก็จะหยุดได้เบรกได้ดังนั้นขอให้พวกเราพยายาม ทมที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ทำคือทำบุญและบาปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการมีสติคอยควบคุมใจให้ทำตามที่เราตามที่พระพุทธเจ้าได้สอนให้พวกเราทำกันพอเราทำได้แล้วใจของเราก็จะเจริญก้าวหน้าขึ้นไปตามลำดับ ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นเทพขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรขึ้นไปสู่สวรรค์ของพระอริยเจ้าจนถึงสวรรค์ของพระพุทธเจ้าอันนี้เกิดจากการกระทำของเราพระพุทธเจ้าทําให้เราไม่ได้พ่อแม่ทําให้เราไม่ได้สามีภรรยาทําให้เราไม่ได้บุตรธิดาทําให้เราไม่ได้ญาติสนิทมิสหายทําให้เราไม่ได้ เราต้องเป็นผู้กระทำเองดังที่ได้ทรงตรัสไว้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตอนเป็นที่พึ่งของตนดังนั้นขอให้เรายึดตัวเราเป็นที่พึ่งยึดคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้นาทางแล้วเราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เราจะได้ไปสู่พระนิพพานที่มีแต่ความสุขที่ถาวรที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีหมดไปจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาทำบุญละบาปมาชำากใจให้สะอาดบริสุทด้วยศรัทธาความเชื่อในกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรูนี้ ขอให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความหลุดพ้นจากความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนาไตรัยและบุงกุศลที่ท่านได้มาบางเพ็งกันในวันนี้ จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแค้วแกรปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้าการเทอ